แต่ถ้าหากว่าเราไม่สแสวงหาสติปัญญาก่อนเนี่ยเราก็จะหาความพอดีได้ยากนั้นระหว่างแสงสว่างกระดวงตาถามวันก่อนว่าควรจะหาอะไรก่อนท่านทั้งหลายก็ตอบว่าดวงตาถูกต้องเพราะสัมมาสติสัมมาทิฏฐิก็สัมมาสังกัปปะ มันเป็นดวงตาแต่สัมมาสติและสัมมาสมาธิมันเป็นแสงสว่างเห็นไหมแสงสว่างหาทีหลังก็ได้แต่ขอให้ถ้ามีดวงตาเนี่ยแสงสว่างเล็กน้อยๆพอดีพอร้านเนี่ยไปได้ไปได้ในระหว่างกลางเป็นอะไรล่ะสัมมาสติสัมมาสถธิสองอย่างเป็นดวงตาสัมมาเป็นแสงสว่างสมาธิทฐิสัมมาสังกัปปะเป็นดวงตาในระหว่างกลาง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 ประเด็นนั้นก่อนเป็นหลักแล้วก็ลองลองลงมาเท่าที่จําเป็นที่ในอายัดธนาทั้งหกของเราก็มาสํารวจว่าอันไหนมาทํางานตลอดเป็นส่วนใหญ่อันไหนมาทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างอันไหนมันทานํ า, ง, ท ง, า, า ง, ทงานน้อยที่สุดตาพอลืมตาก็มองเห็นหูมีการได้ฟังคำบรรยายอยู่จมูกลิ้นกิ่นกระดรสสองอันนี้แทบเจ็ดบอดไปเลยนะบางช่วงนะใช่ไหมแทบจะบอดไปเลยสองอันไม่ทําหน้าที่